เราเกิดมาทำไมใครพาให้เราเกิดก็กิเลสพาให้เราเกิดใช่หรือไม่กิเลสมาจากไหนไมาจากความโง่ที่ท่านบัญญัติว่าอาวิชชาอาวิชชาสิไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกขสมุทยัย ไม่รู้ในทุกขนิโรธไม่รู้ในทุกขนิโรธคาเวณีปฏิปทาอ น, นิยัสัตติ 4, ย่นลงเป็นสองบาปหนึ่งบุญหนึ่งสิ่งที่ควรประพฤติก็คือบุญสิ่งที่ควรเว้นก็คือบาปใครเป็นหัวหน้าธรรมพาธรมบาปก็คือกิเลส ใครเป็นหัวหน้าพาทำบุญก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตใจเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตใจก็พาทำบุญถ้าหนักไปในทางบาปก็กิเลสพาไปสร้างบาปพระบรมศ า, ศาสดาทรงส่งเสริมชาติหรือไม่ไม่ได้ทรงส่งเสริมเลย ชาติพิทุขาตูมเดียวก็ถูกวัดทั่วทั้งใจโรกธาตุทั้งที่มีวิญญาณครองสิงและไม่มีวิญญาณคลองสิงชร า, าพิทุขาก็ตูมเอ ก, ก็ถูกวัดทั่วทั้งตจโลกธาตุเมื่อนำพิทุขังตูมเอ ก, ก็ถูกวัด สวก็ปรตเททุกขโทมนัตุปายาสาปิทุขาความโศกค ว, วความปรตเทวนาความปรารถนาไม่ได้สมหวังความพัดพาาจากสิ่งที่รักสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ปรารถนาสมหวังแล้วก็มาพัดพาาไปสิ่งนี้ก็เป็นทุกข์ ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่น่าพอใจอันนี้ก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ก็คือกิเลสเป็นนายหน้าส่วนพระสวสดาบาลไม่มีกิเลสเป็นนายหน้ า, า พ, พระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นนายหน้าแล้วพระสวสดาบาลพระ ท่านไม่เสียดายล่วงละเมิดศีลห้าไม่เสียดายล่วงอบายมุกไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกับพันไม่เสียดายอยากจะถือเลือกดียามดีไม่เสียดายอยากจกสาบแช่งท่านผู้ใดไม่เสียดายอยากจะคบมิตรชั่วแต่ก็ไม่ให้กระเทือนเขา ไม่ใช่ใดอยากจะค้าขายเครื่องประหารต่างๆเช่นาาสตรอาวุธเป็นต้นไม่ใช่ใดอยากค้าขายมนุษย์หลอกต้มตุนไปขายไม่ใช่ใดอยากจะค้าขายสัตว์เป็นคือน้้อองงปูน้องปู น, งน้องปลา หรือโคกระบือหรือเป็ดหรือไก่ที่เลี้ยงไว้เพื่อขายและเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารแต่ชิ้นห้าก็ยังไม่เสียดายอยางโล่งละเมดจะฆ่าทำไมไม่เสียดายอยากจะฆ่าขายหน้เาเมาทุกชนิดไม่เสียดายอยากจะฆ่าขายยาพิษทุกชนิดยาปราบพืชก็ไม่เสียดายอยากฆ่าขาย เพราะถือว่าเป็นบาปเป็นกรจริงจริงสิ่งไหนที่เห็นชัดว่าเป็นบาปเป็นกรจริงจริงสิ่งนั้นก็ไม่เสียดายร่วงละเมิดก็คือดวงตาเห็นธรรมเราดีๆนี่เองถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือดวงปัญญาเห็นทางเสื่อมทางเจริญที่ไม่เห็นดวงตาเห็นธรรม ก็พระเห็นทางเสื่อมถือว่าเป็นทางเจริญเช่นอรไหยมุขเป็นต้นเรียกว่ามิตรฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทานองครองธรรมสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นคือสัมมาทิฏฐิของพระโสดาบันสัมมาทิฏฐิเบื้องท้ายคือสัมมาทิฏฐิของพระหันเห็นชอบแล้วโรกโกดหลงก็เห็นชอบแล้ว ปฏิบัติชอบแล้วรุดพน้นชอบแล้วไม่มีอันใดเหลือเลยชาติทั้งหลายได้ทำลายสิ้นแล้วพบใหม่ไม่มีอีกอรยามาชาตินัตถิทานิปนุรนโวติพบใหม่ของเราไม่มีอีกแล้วเรียกว่าท่านเห็นชอบสมาทิฏฐิเบื้องท้สยมมาทิฐิเบื้องกลาง คือพระ อ, อนาคามีเห็นชอบแล้วไม่เสียดายอยากจะโกรธไม่เสียดายอยากจะโลภแต่ยังหลงอยู่นิดหน่อยซึ่งนอนเหนืองอยู่ในขันธะสันดาลเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขา สำคัญตัวว่าเสมอเขานี่เป็นกิเลสสามข้อสามประเภทเป็นผู้เสมอเขาใช่ไหมสำคัญตัวว่าเลิอดกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาก็เป็นกิเลสเหมือนกันเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเลวกว่าเขากิเลสพระอนาคามี ยังละไม่ได้เป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาอันนี้ก็เป็นกิเลสเหมือนกันเรียกว่ามักใหญ่ไฟสูงข้อนี่เป็นผู้เลวกว่าเขาสำคันตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลวกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลวกว่าเขามีอนุสัยเก้าข้อมีกิเลสเก้าข้อ พระนาคามีส่วนพระราหาันไม่สาคัญในที่ใดๆเลยไม่สาคัญตัวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาพูดสมมติก็พูดไปตามเขาเขาพูดตาหูจมูกเลื่นกายใจก็พูดไปตามเขาแต่ไม่มีราคะโทสะโมหะมาเป็นหัวหน้าเลยไม่เสียดายอยากจะยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลจนแกะไม่ได้คลายไม่ออก โคกระเบือเราเขาท่านก็พูดอยู่แต่กิเลสไม่ได้ผูกมัดอนุนเอ๋ยเอาหน้ามาใหา้เราดื่มเราหิวน้านักเราจะได้งับกวนกวายเสียก่อนเธอจงไปตักหน้ามาเอาบาดไปน้าขุนพระเจ้าข้าเวียนห้าร้อยเล่มผ่านไปนี่น้าขุนเออเธออย่าคัดค้านเธอจงไปเสียก่อน พอไปแล้วก็น้มใสเลยน่าอัศจรรย์ค้ายๆก็ว่าอนนนนเอ๋ยรถคันนี้มันเดินมามันวิ่งมาวันยังค่าแล้วมม่อน้ามันแห้งเธอจงประตักน้ามาใส่มม่อน้ำซะคล่อยๆก็ว่าอย่างนั้นแหะแต่ท่านไม่ยึดมัน่นถือมั่นในขันห้าถ้าจะว่าอนัตตาดอก ลูกขันน้ำขันดอกอย่างนี้พระอนุนก็ไม่รู้จักปฏิบัติเราเหิวน้ำเราก็หายน้ำพูดตามสมมุติไอ้ที่แท้กิตใจของท่านไม่ขุนไม่มัวเลยแต่พวกเราเหิวน้ำก็หิวทั้งใจด้วย<ม>หยิวจริงๆกังๆถ้าหายน้ำปวดแล้วเหนื่อยนักก็พูดเย็นๆ เพราะมันรู้จักว่าเหนื่อยคนไม่รู้จักเหนื่อยรู้ไม่รู้จักหิวจะเป็นคนฉลาดอย่างไรได้คนไม่รู้จักเกิดแก่เก็บตายจะเป็นคนฉลาดอย่างไรได้คนไม่รู้จักอุปสรรคในวัฏฏะทงศารจะเป็นคนยินดีในพระนิานเป็นไปไม่ได้เลยทําไมท่านจึงบัญญัติบุญหลายอย่างมีทานามัยศีลามัยภาวนามัยอภิจายนามัย ธรรมัดเจ้าดำไม่คดีก็สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งกรรมทการบุญเพื่อเป็นสงเคราะห์ท่านผื่นเพื่อสลัดความโลภออกถ้าไม่อย่างนั้นแล้วความโลภก็จะทวีขึ้นเหตุนั้นจึงบัญญัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้รับร่าความหลงของตนถ้าชนะความหลงโดยเช่นเชิงแล้วก็ข้ามทะเลหลงไปซะ แต่พวกเรายังเป็นทาตแห่งความหลงอยู่เพราะกิเลสมันเป็นเจ้าหัวใจมันก็ใสหันขว่าหันกำลังหันมันก็บอกว่าไปเล่นเลขเถิดไปกิดดื่มสุราเถิดไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเถนะิดมันก็บอกได้มันขึ้นขี่คอเลยลวเหตุ น, นั้นจึงเอาธรรมะของพระพุทธศาสนาไล่มันลงมีธรรมะของพุทธศาสนาเท่านั้นจะไล่กิเลสให้หนีได้ จะชนะความหลงของตนก็มีคำสอนพระพุทธศาสนาเท่านั้นจิเลตก็คือความโง่นั่นเองก็คือความหลงนั่นเองไม่ใช่อื่นใดเลยหลงอดีตหลงอนาคตหลงปัจจุบันด้วยหลงตาว่าเป็นตาเราจริงๆริงจังจังหลงหูว่าเป็นหูเราจริงๆจังจังหลงจมูกว่าเป็นจมูกเราจริงๆจังจัง หลงเลินว่าเป็นลินเราจริงๆจังๆหลงกายว่าเป็นกายเราจริงๆริงจรงจหลงใจว่าเป็นใจเราจริงๆจรงจรงเหตุนั้นจึงวนเวียนสร้างใจอยู่ในวัฏจักรงสารถ้าใจไม่มีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของใจนั่นก็ไม่มีพิษถ้าใจมีผู้ยึดถือเอาเป็นเจ้าของใจนั่นก็ต้อง ม, มีพิษแต่คนตายไม่มีพิษ เพราะไม่มีใจอยู่ที่นั่นเขาจะเอาไปเผาไฟมันก็ไม่เดือดร้อนเพราะวิญญาณไม่อยู่ในที่นั่นวิญญาณเป็นหองสำคัญมากวิญญาณก็คือใจใจก็คือวิญญาณถ้าเขาไาเหยียบแข้งเหยียบขามึงไม่นู้จักกูหรือถ้าตายแล้ววิญญาณไม่อยู่ในที่นั่นก็ไม่มีเห็น ม, มีอะไรพระพุทธศาสนาสอนใจอย่างเดียว ศีลก็ตัดศีลลงที่ใจสมาธิก็ตั้งมั่นในลงในที่ใจปัญญาก็ให้รับรู้ในที่ใจใจใดไม่เองพิษเป็นเหตุทานอกเขตก็ไม่ต้องได้หาใจนั่นแหลนามีได้ท่องเที่ยวใจเดียวทำเดียวอยู่นอกเขตมดประเภทท่านผู้อื่นจะตามหาข้ามโลกาไปไม่มีรอยแล เหมือนนกบินในอากาศจะถ่ายเอารอยของมันก็ไม่ได้เหมือนมืดเสือนน้ำก็ไม่มีแผลเหมือนน้ำมาพร้าวจกขวางไปสักเพียงไหนนั้นก็ไม่มีตะกอนท่านผู้พ้นไปแลว้วมองคืนมาเห็นขาตเห็นพบก็ไม่มีคุณค่าเสียเลยแต่พวกเราก็ยินดีอยู่ว่า ความนเป็นมนุษย์เป็นลาบอย่างยิ่งเพราะจะได้ปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏจักรสงสารแต่ท่านผู้พ้นไปแล้วมองมาข้างหลังเห็นชาติเห็นพบก็เท่า ก, กับว่าเป็นของไม่มีค่ามีแต่อันตรายชาติพิทุกขาคำเดียวปิไปว่าแม่เป็นทุกข์ใส่ไม่โทด้วยชราปิทุกขาแม่เป็นทุกข์ชรา เมื่อนำเพื่อขังก็แม้เป็นทุกข์ออกเพียงเลยเกิดมาใช่ความหลงของตนเมือ่อชนะความหลงแล้วความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้ศีงสมาธิปัญญามีปัญญาเป็นหัวหน้ากิเลสทั้งหลายมีความหลงเป็นนายหน้า ถ้าไม่หลงมันก็ไม่มีราคะถ้าไม่หลงมันก็ไม่มีโทสะถ้าไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่ได้ให้ทานไม่เป็นถ้าไม่มีปัญญาก็รักษาภาวนาไม่ได้ปัญญาเป็นหัวหน้าของธรรมทุกหมวดความหลงเป็นนายหน้าของกิเลส ความหลงจะไปจบกันที่อัตวาทุปาทานอัตวาทุปาทานความเห็นว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาว่าสาระบุคคลปัญญาเห็นตามเป็นจริงว่าเป็นแต่สักไหวใจเป็นแต่สักว่าผู้รู้เป็นแต่สักว่ผู้เห็นแล้วไม่ตามไปจนถึงราคะโทสะโมหะทีนี้ก็ข้ามทะเลหลงไปซะวิญญาณปฏิสันติก็ไม่มีที่ตั้งคติมีห้าอย่าง บุขคลเราผู้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารในเวลาใกล้จะตายปรากฏเห็นแม่น้ําลำธารแต่ยังจิตยังไม่ได้พลิกไปทางอื่นก็ที่ลมปานในเวลานั้นก็ไปเกิดเป็นสัตว์ติจสารเห็นในหอนทางก็เหมือนกันป่าก็เหมือนกันก็ไปเกิดเป็นสัตว์ติสสารถ้า ใกล้จะตายมาเห็นที่มืดมนอนทกานไม่มีทางจะไปเลยยังไม่ทันพลิกจิตไปทางอื่นก็ชินลมปานในขณะนั้นก็ไปเกิดเป็นเปรใตใกล้ๆจะตายมาไปเห็นคันมานดายังไม่ทันพลิกจิตไปทางอื่นก็ชินลมปาณในขณะนั้นก็ไปเกิดในคันมานดา ในเวลาใกล้จะตายไปเห็นเทวบุตรเทวราหรือเห็นวิมานก็ชินลมปราณในขณะนั้นแล้ว ก, ก็ยังไปทันทิกไปทางอื่นแล้ว ก, ก็ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวราในเวลาใกล้จะตายเห็นแสงไฟแดงโล่หรือเห็นฐานไฟเปลวไฟแต่ไม่ใช่เพ่งกสิณ ยังม่ทันพิกิไปทางอื่นเช่นลมปลาณในขณะนั้นก็ไปตกนรกอืมในเวลาใกล้จะตายไปเห็นมืดมนอนทการพูดแล้วอันนี้ยังไม่ทันพฤกิไปทางอื่นก็ไปเกิดเป็นเปรตส่วนพระละหัน์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลาใกล้จะตายก็มาเห็นร่างกายของตนเอง เช่นลมหายใจเข้าออกเป็นต้นต่อแต่นั่นก็ไม่ยึดจริงเราใดในทั้งอดีต ท, ทั้งอน า, าคตทั้งปัจจุบันด้วยไม่มีวิญญาณไปตั้งอยู่ในที่ใดเลยเห็นสมมติตามเป็นจริงของสมมติเห็นว้วมุด ต, ตามเป็นจริงของไม่มุิแล้วไม่ติดอยู่ในที่ใดใทั้งสิ้นไม่สำคัญว่าตัวอยู่ในที่0ูนย์แล้วไปศูนย์ไม่สำคัญตัวในที่ใดๆเลย ก็เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานไปซักเรียกว่าคติห้าคติในเวลาสี่จะไปผู้ใดสนใจเพื่อพ้อนทุกข์ในวัฏสงสารผู้นั้นบาละมีแก่กล้ามาแล้วผู้ใดยังจะแข่งดีในวัฏสงสารอยู่ไม่มองเห็นิีนเห็นธรรมไม่มองเห็น อนุมาณในวัฏสงศารผูืนั้นบารามียังอ่อนอยู่ในตรโลกธาจะสร้างขึ้นหรูหราสักเพียงใดก็าตามก็ออกจากธาตุดินน้ำไฟลมแต่ก็แตกไปเป็นดิ น, ดนเป็นนเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไม่เป็นอันอื่นเลยส่วนกิเลสก็แตกไปเป็นกิเลสส่วนบาปก็ไปบาปส่วนบุญก็ไปบุญ ส่วนไม่มีบาปไม่ีบุญก็เข้าสู่พระเพปานพระอระหันต์ไม่ได้ถือบาปถือบุญอะไรเลยเพราะบุญก็สร้างพอแล้วบาปก็เว้นพอแล้วเห็นนั้นจึงไม่ติดอยู่ในที่ใดๆทั้งสิน้นเพราะความรู้เหนือความโง่ของตนความโง่ก็ตั้งอยู่ไม่ได้พวกที่ยังไม่ทันพ้นก็เพราะปัญญายังไม่เหนือความโง่ ปัญญายังอ่อนกว่าความหลงอยู่ก็จำเป็นมาเกิดแก่เก็บตายถ้าปัญญาได้สติเหนือความโลภโง่ไปแล้วก็ไม่มาเกิดอีกวิญญาณก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไปตั้งอยู่ในที่ใดวิญญาณก็ว่าใจก็ว่าคำว่าใจแปลเป็นภาษาไทยแล้วคำว่าวิญญาณก็เป็นภาษามากตคำว่ากิจก็เป็นภาษามคต คำว่ามะโนก็เป็นภาษามคตคำว่ามนัสก็เป็นภาษามคตแปลเป็นไทยก็คือใจอันเดียวถ้าไปยึดถือว่าใจเป็นต น, ตนเป็นใจใจมีในตนมีในใจก็ข้ามทะเลหลงไปแล้วนี่จะภาวนาตลอดรุ่งตลอดข้ามก็ตามถ้า ย, ยังยึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจอยู่ ถือจิตเด่นดวงอยู่ถ้าตายขาเจ็ตเด่นดวงก็ไปเกิดพรหมโลกยังไม่ทันพ้นจะไปเกิดพรหมโลกนานหลายกับผู้เพิจนาเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาพร้อมกําลอมให้ใจเขาออกเขาตายขาออ น, นั้นแล้วก็ไปเกิดพรหมโลกมีอานิสง ร้อยโกรธกับร้อยโกรธกับจะมีพระพุทธเจ้า ก, กี่พระองค์ก็นับไม่ไหวอีกเสียแล้วส่วนผู้ไม่ยึดถืออันใดในโลกทั้งปวงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยไม่สำคัญตัวอยู่ในที่ใดๆและประสิทธิลมฟาลไปด้วยพัฒติด้วยพระปัญญาผู้นั้นเข้าข้ามทะเลหลงไปแล้ว ปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวาต้าทรงสารปัญหาก็ม่มากปฏิบัติเพื่ออาเมตปัจเจกีจีวาเบนทวบาทเสนาสนะและเพศสัตว์ปัญหาก็มีมากพระบารมียังอ่อนทำไมคนเราจึงไม่อยู่ระดับเดียวกันจิตใจก็ดีอันนึอัใดอันหนึ่งก็ดีก็เพราะ บารมีสร้างมาต่างกันผู้บารมีเต็มเต้น ม, มาแล้วก็ไม่ไห้ใจในวัฏสงสารเลยเหมือนนอนอยู่ในหลุมฐานเพลิงไม่ไหวใจไม่เห็นแก่หลับมากไม่เห็นแก่กินมากไม่เห็นแก่หลับมากไม่เห็นแก่อามิต h a ใดทั้งสิ้น เห็นอามิตรก็คือเห็นอนิจจังมองไปในโลกทั้งปวงเห็นอนิจจังเสมอกันหมดเหมือนหน้ากรองเห็นทุกเสมอกันหมดเหมือนหน้ากรองท่านเหล่านั้นสร้างบาลเมฆเจ้ามาแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นตัวศีลอยู่ในตัวเป็นตัวสมาธิอยู่ในตัวเป็นตัวปัญญาอยู่ในตัว เมื่อจิตสูงสมาธิก็สูงใจก็สูงปัญญาก็สูงเมื่อจิตต่ำสมาธิก็ต่ำปัญญาก็ต่ำมันไปพร้อมกันเมื่อหนังแก่เนื้อก็แก่กระดูกก็แก่เหมือนกันฉันใดก็ดีเมื่อศีลแก่สมาธิก็แก่ปัญญาก็แก่ เมื่อสินขากลางสมาธิก็ขนากลางปัญญาก็ขนากลางเมื่อศินสุดท้ายคือมหาศินคือพระอรหันต์ก็มหาสมาธิก็มหาปัญญาเหมือนกันอธิศินสิกขาสิกขาคือสินยิ่งอธิกิตตสิกขาสิกขาคือจิตยิ่งอธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญายิ่งปัญญาเป็นนายหน้าของสินและสมาธิทุกหมวดปัญญาของพระสวสดาวัน ศีนสมาธิปัญญาของพปัสสาวบันฑินศีสมาธิปัญญาของสกทาคามีศีลสมาธิปัญญาของพปานาคามีศีนสมาธิปัญญาของพระอรหันต์จะไปตีเสมอกันไม่ได้ศีนสมาธิปัญญาของพระปเจศีนสมาธิปัญญาของพระสมมาเถรพุทธเจ้าก็จะไปตีเสมอกันไม่ได้พระมีแยบคลายต่างกันปฏิบัต็เหมือนกัน ปัจจบันพระโสดาบันปัจจุบันสักขาคามีปัจจุบันพระอน า, าคามีปัจจุบันพระอรหันปัจจุบันพระพระเจ้าปัจจุบันพระสมณะพระพุทธเจ้าจะเอาปัจจุบันมาเทียบกันไม่ได้เพราะมียิ่งยอนกว่ากันสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะพิจารณาทางนั้นทําไมจึงมีผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาหน่อยนะักเพราะ มาและมีอ่อนอยู่ถึงจะมีผู้เรืองใสน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีเลยพระบรมศาสดามาเทศศาสนาแต่ละยุคแต่ละยุคก็ได้เพียงเขาโคเท่านั้นส่วนค้นโคก็มอบไว้ให้พระพุทธเจ้าองค์หลังอยู่ในตัวเท่าเขาโคก็รับหลายล้านหลายโกดูแล้วผู้จะไปพระเนพาน หรือพูดถึงโลกุตตละแต่ละยุคละยุคของพระสมานท่าพระพุทธเจ้ามีมากไหมพระอนุนการภูลอ น, นเอ๋ยเอามือวางลงที่นี่นีแ่แผ่นดินติดอยู่ในมือนี่ผงติดอยู่ในมือนี่มีเท่าใดก็ได้เท่านั้นเองถึงิงจางนั้นก็หลายล้านหลายโขดด้ที่แผ่นดินยังเหลืออยู่นี่ก็ฝากไว้พระพุทธเจ้าองค์หน้า สัตว์ทั้งหลายสัตว์สี่เท่าสองเท้าสัตว์กสัตวครานนั้นว้วยในน้ํำดาในดินดินในอากาศทุกๆวิญญาณก็จะมาเรื่อมใสพระพุทธศาสนาหมดจึงจะเข้าสู่พระพานได้เพราะมีศาสนาเดียวที่จะทำให้สัตว์ทั้งหลายเข้าสู่พระพานได้เหลือนอกนั้นอย่ามาเอ่ยเลยทําไมจึงมีลัทธิต่างๆกันแข่งขันกันอยู่ ก็พระบารมียังอ่อนถ้าบรารมียังแก่กล้ามาแล้วก็มาเริ่มสศาสนาพุทธไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมตามจริงของธรรมพระบรมศาสนายืนยันแล้วในมหาปริานิพานสูตรพระสุภเจพนโออุทุยยะสามีกิจไม่มีในรัติอื่นเลยมีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเหตุนั้นพระโมกขนาสารีบุตร จึงออกมาจากสนชัยนาฏตบุรแล้วก็มาเริ่มสศาสานาพุทธจึงสำเร็จพระสวสดาบันสกสาคามีนาคามีเป็นลาดับมีตัวอย่างอยู่แล้วลัที่อื่นก็ดีอยู่แต่ยังไม่ดีเท่าศาสนาพุทธพราะยังสร้างบารมียังไม่พอถ้าสร้างบารมีพอแล้วก็ทิ้งเลยตูมเลยก็เข้ามาหาศาสนาพุทธ ผู้ทำลายศาสนาพุทธได้หรือไม่มีผู้ทำลายอยู่ทุกยุคทุกสมัยผูใ้ใดทำลายศาสนาพุทธก็เท่ากับว่ากองทัพน้ำลายบ้วนขึ้นฟ้าเมื่อมันไม่ถึงฟ้าไม่ถึงฟ้าแล้วกหน้าของใครของมันมันก็ตกลงใส่หรือมิฉะนั้นเป็นกองทัพกำฝุนโตลม เวลาลมพัดมาตึงตึงตึงตึงตึงลมจะพัดไปไหนก็พัดเข้าตาเข้าปากของใครของมานั่นเองหรือวิะนั้นก็เหมือนว้างป่าใส่ต้นเสานักมวยเอกก็หลบไม่ทันถ้าคว้างไกลมันก็ไม่ถึงคว้างใกล้ๆมันก็นักมวยเอกลบลกไม่ทัน พระพุทธศาสนามีผู้หยบย่้งทำลายอยู่ทุกยุคทุกสมัยแต่สู้พระพุทธศาสนาไม่ได้ถ้าว่าพระบรมศาสนาเกิดมาในพวใดชาติใดมีผู้ถูกลุกลานอยู่ก็เป็นพระสมานพรพุทธเจ้าไม่ได้เมื่อบารมีเต็มเตี้ยเมื่อบารมีเต็มตื้นมาแล้วก็โผล่มาเป็นพระพุทธศาสนาเป็นพระสมานพรพุทธเจ้าอย่างพึงภายเลย ไม่มีท่านผู้ใดจะเกียดขวางไว้ได้ผู้ทาผิดก็ไปเป็นพยานพระพุทธศาสนาซะผู้ทาถูกก็ไปเป็นพยานพระพุทธศาสนาซะเพราะผลของกรรมมันมีเช่นพระเทวทัตก็เป็นลุงของพระบรมศาสลาคือเป็นพี่ชาย ของนางพิมพานั่นเองสุปพุท ธ, ธก็เป็นพ่อเท่าเป็นพ่อตาของพระบรมศ า, านานั่นเองเบียดเบียนลูกเขยถือว่าลูกเขยทิ้งลูกสาวของตนไปบวชแล้วก็เบียดเบียนเนื่องจากขาพระเทวทัตก็จัข้าพระบรมศาลาพระเทวทัตก็ลูกสุปพุท ธ, ธ นางพิมพาก็ลูกสุภพุท ธ, ธะนั่นเองแต่นางพิมพาเคยเป็นภรรยาของพระองค์มาหล า, หลายชาติหลายภพไม่ได้ทิ้งกันเลยส่วนพวกะรัก็เคยเบียดเบียนกันมาหลายชาติหลายภพเหมือนกันแต่ผลชุดท้ายก็ลงเอยมาเป็นพยานพระรมศาสดาพระบาทแผน่นดินสูบ ผู้ที่ทาดีก็เป็นพยานของพระบรมสาราผู้ทําชั่วก็เป็นพยานของพระบรมสาราเอออันนั้นเราได้สั่งสอนพวกเธอไว้แล้วเธอไปทําอย่างนั้นก็ได้ผลอย่างนั้นสิเธอไปทําบาปก็ได้ผลบาปเธอไปทําบุญก็ได้เพิ่มบุญก็เป็นพยานของพระบรมสาราพระทหารก็เป็นพยายขพนของพระบรมสาราเออทําอย่างนั้นไม่มีกิเลสไม่มีโลภไม่ขุ่นไม่หลงก็เป็นพระรหาร พระสวัสดิบานก็เป็นพยานของพระบรมศาสลาพระจ้กระทาคาอีก็เหมือนกันเป็นพยานอยู่ในตัวแล้วส่วนผู้เป็นสัตจจะฉานเปรตอสุรกายมันก็เป็นพยานของพระบรมศาสลาของพระสมณะพพุทธเจ้าทั้งนั้นทำผิดก็เป็นพยานทางผิดผู้ทําถูกก็เป็นพยานทางถูกอจริงเรานี้เป็นหน้าที่จะควรคิดทั้งนั้น ถ้ากรรมและผลของกรรมมีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันกรรมและผลของกรรมมันมีอยู่ผู้ได้มาในทางที่ไม่ชอบผลของกรรมก็ตามสนองผู้ที่เบียดเบียนสัตว์มากเกิดมาก็ตายง่ายถึงมาตายง่ายมีอายุยืนอยู่ก็มีโรคมากแต่เราเนี่ย คงจะเขียดตีสัตว์มากอายุแปดสิบกว่าแล้วมีโรคมากแต่ก็คงจะไม่ทำให้จนตายสิ่งไหนที่เราทำไม่ดีเราก็าเห็นในปัจจุบันชาติสิ่งไหนที่เราทำดีเราก็าเห็นในปัจจุบันชาติไม่ว่าชาติก่อนเลยล ะ, ะเห็นในปัจจุบันชาติเลยเห็นส่วนตัวนี่เอง ไม่ได้เห็นคนอื่นเคยได้ไปยิงนกเขาทีนี่อายุชิพ่าปีด้วยลูกกล้องเป่าไปยิงได้นกตัวเดียวนะ่ะจะเกิดมานกเขามันตาดีจะตายใครจะไปยิงมันถูกแต่พอมาถึงสองพันห้าร้อยสามสิบหัวใจตีบเดินจงกลมอยู่เกือบไปไม่ทัน ไปโรงพยาบาลชีนคารินปวดขึ้นที่นี่ที่นี่เงตกโคลนเลย mm hmm. เขาก็เอาขึ้นรถไปเอาขึ้นรถไปไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าออกไปกูจะตายเพราะมกับลมเข้าหรือลมออกกูจะพิจารณามันแล้วก็พิจารณาไปทุกลมหายใจเข้าออก ไปจนถึงโรงพยาบาลไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าลูกๆลูกหลานลพบุตรจะเรียกไม่ง่ายเพื่อให้เข้าใจชัดตามภาษาบรรณนอกของเราลพบุตรลูกหลานยังไม่เคยเห็นลพบุตรตายลพบุตรจะตายให้ลูกหลานดูเนอะมันจะตายเพ่าะกับลมเข้า ล, ลมออกว่าได้ก็ขมเตะเขาแล้วก็ยืนกลางขา หายใจมันจะตายเพราะเขาลมเข้าลมออกเราปู่จะตายให้ลูกๆหลานๆเห็นจะเอากรรมฐานตายให้เห็นเนอมันจะพ่อเขาลมเข้าเราออกเราปู่จะสังเกตมันดูทีนี้เขาก็เลยมาทำอยู่ที่เนี้เออจริงจริงจริงจริงจรงจริงเขาว่าอย่างนั้นไปไปไปไปพวกเราจริงแล้วจริงแล้วจริงแล้วเขามาทำอยู่เนี่เขาก็เลยไปเอายามา เอายามาให้พ่นพ่นนึ่ก่อนฉันลงไปอีกใต้เลียดเม็ดหนึ่งได้ปะเบาลงเบาลงแล้วเขาก็ฉีดยาให้ก็เบาลงเบาลงที่นี่อาเกียนทีนี่หลวปู่จะอาเกียนนะลูกหลานอาเกียนลงนี่แนละ้วหลวงปู่เออไม่หลวปู่อยู่กับกุติก็ไม่เคยทำหลวงปู่ไม่หลงสติเดี๋ยวนี้หลวงปู่รู้จักหนู หมดโรงพยาบาลของเราจะไม่มีกระโถนหรือก็รีบเอากระโถนมาแล้วก็อ้วกใครกระโถนน่ะเข้าเป็นเม็ดอยู่เลยตอนนั้นเขาเขาบอกว่าเออถ้าองค์ลองปู่เหนื่อยแล้วองค์ลองปู่มันค่ำแล้วลูกๆจะมานอนอยู่ข้างเวมาให้นอนเหมือนคนอนาถาดอก เออล็อปู่นอนไม่ได้เพราะล็อกปู่สมาทานแล้วจะไม่นอนข้างคืนในโรงพยาบาลถึงล็อกปู่จะนอนข้างคืนในโรงพยาบาลในที่นี้ตื่นเช้ามาล็อกปู่จะดำเดินไปที่มุกดาหารล็อกปู่ก็ไม่มีประตูอยู่เพราะสมาทานแล้วชาวโลกทั้งหลายเขารู้แล้วสว่วนอุกุบาอาจารย์องค์อื่นยกเว้บนเก้าบนกระห ม, ม่อมเพราะมันเป็นเรื่องของใครของมันเราพูดอย่างนี้ ท่านไม่ได้สมาทานท่านก็ไม่ต้องรักษาแล้วสมาทานแล้วต้องรักษาเออถ้าอย่างนั้นแล้วพวกเราก็ไม่ยากเอแล้วก็กําหนดรลมหายใจเข้าออกอยู่เขาไปเอายามาบอมเราเราก็ไม่ทราบเขาก็บอกให้เราฉันยานอนหลับสองเม็ดแต่เขาไม่บอกเราเราไม่รู้ว่ายาอะไรเราก็ฉันเออ พร่ำองค์ท่านยาสองเม็ดแล้วไม่หลับเขาจึงพูดให้เราฟังเราจึงเข้าใจถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ถูกแพ้องค์ท่านตามองค์ท่านไปวัดซะเขาก็เลยตามมาเมืนอนอยู่ข้างล่างพอเรากำหนดลมให้ใจเขาออกเราไม่รู้เรื่องิตเลยมันไม่หลับตาใส่เข้ยเลย อานาจของลมหายใจเข้าออกอนาป า, านสติผู้ใดเจริญดีแล้วลมหายใจเข้าออกกายและจิตของท่านผู้นั้นก็ไม่หวั่นไหวลมหายใจเข้าออกกรรมฐานลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาใครชอบตื่นสนกตกใจเพราะไม่เจริญลมหายใจเข้าออกกายและจิตของท่านเหล่านั้นก็หวั่นไหว ผู้จับขอตุมๆตำตาเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกันเพ่ผงผางก็เหมือนกันเพราะขาดสติลมหายใจเข้าออกมักแสะลงผวาก็เหมือนกันมีอะไรตู้งเครืกันอย่างนี้ไงเขาขาดลมหายใจเข้าออกสติไม่ตั้งมั่นกรรมาฐานแต่และอย่างลอย่างาก็บรรเทาเกลียดชัดกลางศีลสมา ศีลบรรเทาเกเรชัญญามปัญญาบรรเทาเกเรชันละเอียดใครจะเจริญกรรมฐานอะไรก็เจริญจริงๆซักอย่ากขานั่นข้านี่แต่ลมให้ใจเข้าออกดึงกรรมฐานอันอื่นมาได้พุทคุณพุทธคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณครูบาอาการคุณปู่ย่าตาโทษคุณท่านผู้มีคุณ ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกความตายก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทำไฟเกิดไฟดับก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทำไฟไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกท่านผู้พ้นไปแล้วก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกท่านผู้ถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถ้าจับลมหายใจเข้าออกแล้ว ก็มาฐานอื่นๆก็ามาเป็นเมืองขึ้นของลมหายใจเข้าออกนั่นเองเราจะพิจารณาทำอันปาฏิจารราคะหายใจเข้าจะพิจารณาทำอาปาฏิจารราคะหายใจออกจะพิจารณาอันปาฏิจารโทรสะหายใจเข้าหายใจออก จักไม่ยินดีในโลกทั้งปวงพรอองกำลัลมหายใจเข้าหายใจออกมันดึงมาใส่ได้หมดเหตุฉะนั้นพระบรมศาสตราจึงทรงสนัสรุนว่าลมหายใจเข้าออกอาณาปณะสตินี้รัฐที่อื่นศาสนาอื่นไม่มีเลยมีแต่ศาสนาพุทธอย่างเดียวพระบรมศาสร า, ามีอานิสงสามสิบเ็ดประการดึงมาใส่ได้หมด ศีลก็ตัดศีลดวงกับพ่อแม่ลมหายใจเข้าออกสมาธิตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกปัญญารอบรู้ในลมหายใจเข้าออกไเรเสียขาก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอานาปณะสติในขั้งพุทธการมีพระรหันเจริญอานาปณะสติมากกว่ากรรมฐานอื่นๆพิจรณากายพ่อกับลมหายใจเข้าออก พิจรณาเวทนาสุขทุกข์พ่อมกับลมงหายใจเข้าออกพิจารณาจิตที่เศร้าหมองผเรื้อผ่องแพรวพ่อมกำลมงหายใจเข้าออกพิจารณารรมันเกิดดับพ่อมกำลมงหายใจเข้าออกได้ทางนั้นเราจากศึกษาว่จาจักตั้งจิตหายใจเข้าจักตั้งจิตหายใจออกจัดพิจารนาเนืองๆโดยความเป็นของไม่เที่ยงหายใจเข้าหายใจออก จะพิจารณารู้แจ้งจิตหายใจเข้ารู้แจ้งจิตหายใจออกจะทำบันเทิงจิตให้หายใจเข้าทำบันเทิงจิตให้หายใจออกแปดมืนทีพระธรรมขันธ์มารวมอยู่ที่ไตศีขานี่เลยเวลาจะตายก็จะตายพร้อมกับลมหรือหายใจเข้าออกเราก็จ้องอยู่ที่นั้นตายคารมหายใจเข้าออกอย่างตำก็ไปพรหมโลก อย่างสูงก็เป็นพะระอรหันต์อย่างตั้งกลางก็ถึงพระอนาคามีอย่างต่ำลงมาอีกก็ถึงปโชดาวันอัทถังคิโกรมโกอัทถังคิโกรมโกสยยะีดังสมาดิติสังโปรายจากกัมมันโตอาชิวายมุสติสมาธิมันก็ครบไตรซีขาแน้ว่ ตูมเดียวก็ครอบใตเสียขาเหมือนกันทำแต่ละวรรดาบัดครอบใตเสียขารักที่อื่นทำไมจึงมีจึงมีโลกีและโลกุตระปนเปนกันเพราะเอาคำสอนลักที่อื่นมาปนเปศาสนาพุทธเพราะเอาพระพุทธศาสนา ไปชกมวยกับรัฐที่อื่นมัน ก, ก็บ้าจก่งๆถูกไหม ท, ท่านยืนยันว่าสุปฏิปโนโชุญายะสามีเท่านั้นเป็นสาวกของท่านถ้านไม่ได้ยืนยันว่ารัฐที่อื่นเป็นสาวกของท่านมหาปรินพาผานสูตระใครๆก็จะได้เห็นใช่ไหมนะรัฐที่อื่นศาสตราอื่นไม่มีสุปฏิปโนโชุญายะเลย เราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมเราจึงเคารพธรรมเธออย่าไปสงสัยเลยเพราะรัตที่อื่นนับถือแต่วัตถุนิยมแต่ก็ไม่บริสุทธิ์อีกเสียด้วยวัตถุนิยมที่ได้มาในทางบริสุทธิ์ก็อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แปลผลไดแต่สลายพระบรมศาสตรา ย, ยืนยันแล้วพวกท่านเป็นผู้เรียนมากใช่ไหมผมไม่ได้เรียนมาก เรเรียนพระสูตรถ้าเรียนสามสูตรจะชิดจะเรียนยังไงสูตรกายสูตรวาจาสูตรใจถ้าเรียนสองสูตรจะจะเรียนสูตรยังไงก็สูตรกายกับใจถ้าเรียนสูตรเดียวก็สูตรโนสูตรถ้าขยายออกเป็นสี่ก็อริยสัจสี่ถ้าจะว่าเป็นจตุการณ์บาต ถ้าจะว่าเป็นปัจจกะเนี่บาก็ก็คือขันห่าถ้าจะว่าเป็นชักกะในบาทก็คือตาหูจงเลียนกายใจไอ้ที่แท้เขาย้อนลงมาหาหนึ่งใช่ไหมถ้าไม่หลงหนึ่งก็ไม่หลงถูกไหมสิญมีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวเดียวกลมเกลือนกันอยู่ ชินห้าถ้าไม่ล่วงแล้วมิดก็เป็นเชือกคาดเกลีวเหนียวอยู่ที่ดวงใจชิ้นแปดชิ้นสิบก็เหมือนกันสินสมาที่ปัญญาจะแยกกันไม่ได้ที่ท่านแยกออกก็เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดอัตาตากามมุปาทานถือมันในกามทิฏฐุปาทานถือมันในทิฏฐิศีรัพตุปาทานถือมันในสินพรต อัตวาทุปท า, านถือมันวาทะวตนว่ตัวอัตวาทุปท า, านเป็นจอมพลอุปท า, านทั้งปวงใช่หรือไม่ถ้าทำลายถ้ารั่วเท่าอัตวาุปท า, านเนี่ยอุปท า, านทั้งปวงก็แตกก็เจิงใช่หรือไม่นะวิชาตัญหาอุปท า, านกรรมพบธาตุชราบรนณะนะโสกุิเทวทุกโทนัสอุปายาไม่ต้องเรียงแบบก็ได้ที่ท่านเรียงแบบท่านเรียงทำไมท่านสาวไปสาวมาเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัด เพื่อให้สมภูมิพระองค์ด้วยถูกไหมทำไมไม่คัดค้านขี้เกียจคัดค้านรือเปรียนหกเมสักองไม่อยู่นี่นี่ห้าใช่ไหมห้าเปเรียนห้าใช่ไหมรปเรียนสามเอครบไตชสี่ขารปเรียนหก ใค ร, รเรียนหกเป็นครูทั้งหกตาหูจมูกเลี้ยงกายใจใช่ไหม <c oughs> รเรียนหกกรรมฐานในพุทธศาสนามีสองกรรมฐานเพ่งรูปเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ารูปกรรมฐานเพ่งอารูปเป็นอารมณ์ก็เรียกอารูปกรรมฐานคนเราถ้าไม่ติดอยู่ในรูปและอารมณ์แล้วก็ข้ามทะเลหลงไปแล้วใช่หรือไม่ พวกที่เพ่งกะสินดวงแก้วถ้าตายคานั้นว่าเป็นพระอรหันต์ผมมายอมก็ไปเกิดมมกพรหมโรคพาะเพ่งลูกเป็นอารมณ์ผมมายอมสิ่งที่ไม่ยอมเป็นอัตวาธุปาทานไหมไม่ได้เป็นพระพูดตามมจริงไม่ได้เป็นอุปาทานบางท่านก็บอกว่าเถียงเดียวนี่ มันเป็นเดี๋ยวนี้กําลังเถียงกันอยู่เถียงกันเรื่องอัตาอตาอนัตตาผมกลัวเราะกิเลสผมบอกว่าพระนรพานเป็นอัตตาบางท่านเอ้าพระนิพานกรดีสังขารกรดีใครเป็นเจ้าของผมแย่งมานี่ถ้าไม่เป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครตรองไว้ก็สเพะธรรมะอนัตตาตามเดิมใจเดียวไหว แต่อนาตตาทุกขและสมุทัยเป็นอนาตตาที่ควรเว้นอนาตตามักเป็นอนาตตาที่ควรเจริญอนาตานโรธเป็นอนาตตาที่ควรทําให้แก้อัตตาฝ่ายดับอนาตตาฝ่ายฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็คือฝ่ายตั้งขานอนาตตาฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็คือพระนานจะไปยุ่งอัตตาอนาตากันทําไมจะว่าอัตตาอนาตสาสักียงไหนถ้ามีโรคโกรธหลงอยู่มันก็ใช่ไม่ได้ใช่ไหม นั่นเขียนกันเรื่องอัตตาอนัตตาทำฝ่ายเกิดฝ่ายดับก็เกิดก็ดับอยู่หาระหว่างไม่ได้ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาทาฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับใครจะรู้หรืไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นหน้าที่ของธรรมทั้งหลายจะมาเป็นข้าเป็นทาส ให้คนไปรู้หรือจะมางอมางอให้คนไปรู้ทำทั้งหลายมีจริงอยู่พราะพุทธเจ้ามากี่และลานพระองค์ก็มาสอนทำอันเดียวกันใช่หรือไม่ <Hey. S 1> ทําเป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโรกสองบาอย่าความระอายตอบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโรกได้นั่นนั่นนั่นนั่นน่นนนั่นนั่น น, น, นั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พูด ถ้าไม่มีอย่างอายตแบบาปไม่มีความกลัวต่บบาปแล้วมันก็ไปล่วงละเมิดศิ้นหา้าใช่หรือไม่นั่นถ้ามันไปล่วงละเมิดสิ้นห้าแล้วกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฎคั้วของชาวโลกตั้งขึ้นไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนานะมันก็ไปไม่รอดเพราะผลของกรรมมันมีอยู่นั่นพระเจ้าเพีิมพิสารทรงอํานาจสิที่ขาดได้ทรงพระนามวราชามาคาูแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินมคธ ผู้มีศีลห้าบริบูรณ์เขาตั้งกฎหมายเขาก็มีศีลห้าเป็นแวน่นไม่เข้าข้างตัวเป็นธรรมะเทวดาใจใช่หรือไม่ถ้าไม่เอาศีลธรรมของพระบรมศาสนาตั้งกฎหมายกฎหมู่แล้วชาวโลกก็ยุ่งเหยิงกันอยู่อย่างนี้ใช่หรือไม่นั่นที่บอกว่าไม่ให้พระเป็นการบ้านการเมืองว่าอย่างนั้นพระไม่สานบ้านสอนเมืองจะไปสอนถือตัวไหนเราก็ทีงเหมือนกัน่ะ ที่นี่พระบรมาศาสดาสอนสอนฆราวาสสอนยังไงสอนได้หมดแล้วหนึ่งด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวิจีกกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบ ด, ด้วยเมตตาสามด้วโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสีด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูคือห้ามไม่เข้ามาเรือนห้าด้วยฮาเมตตาทานนั่นฆราวาสนะส่วนพิชะะุูชมาเร หนึ่งห้ามากระทาคนชั่วสอง้า้งอยู่แล้วความดีสามอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสีให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก้มหกบอกทางสวรรค์ให้นั่นนั่นนันพระพุทธศาสนาไม่สอนโลกจะไปสอนผีตัวไหนเราก็ไม่ยอมเหมือนกันกเราจะเถียงถ้าบรมศาสตร า, าสร้างวาระมีมาก็มีพุทธจริยาสามมีเจตนา พุทธถจริยาส่งมาพุทธเพื่อเป็นพระพุทธเจ้ายาตถาจริยาเพื่อสงเคราะห์ญาติโลตถาจริยาเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกจึงส่งพระนามสัตถาเทวมนุษสานางเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทางหลายนั้นสิ่งไหนที่พระบรมศาสดาไม่สอ น, ไ ม, สอนไม่มีเลยไปขี่ก็สอนไปเยี่ยวก็สอนนุ่งห่มก็สอน นุ่งห่มเป็นปนุ่งเป็นปลิ้รรมันทนคือนุ่งยังไงข้างบนเหนือสะดือข้างล่างเพียงครึ่งแค่แต่พวกเราห่อเอาแต่โยนีแล้วก็บ้าไปส่งเสริมกันว่านางานางามนางงามเกเรใช่ไหมนั่นนั่นนั่นนั่ น, น, นส่งเสริมสิ่งที่ไม่ควรส่งเสริมเราก็เบื่อเหมือนกันส่งเสริมอาบายมุกสิชาวโลกทุกวันนี่ ไม่รู้ว่าพระจะให้พระเทศยังไงทีนี่ส่งเสริอบายมุกอาบายมุกเป็นมนุษย์เรียบัดสวรรค์เรียบัดพรหมเรียบัดนิพพานเรียบัดใช่หรือไม่เวทอบายมุกก็เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติไปในตัวสัตวทังสัพยัญชนะเกลาราปริปุณังปริสุทธังพรหมจรยังประกาศเสสิบบริบุรแล้วทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะจึงยอมกราบไหว้ไม่ได้กราบไหว้แบบโง่ๆใช่หรือไม่ นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่มแอเปรั ว, วนอบน้อมถ้าเคารพแล้วก็น้อมน้อมทั้งนั้นถ้าไม่เคารพก็ไม่น้อมน้อมเคารพทำจำหนงด้วยจิตและกายวาจาพระบรมศาสด า, าเทศข้องที่ไหนท่านก็เทศเลยแต่ก่อนไม่ได้อ้างบาลีเลย บารีกายบารีวาจาบาลีใจมาในคัมภีร์นั้นคัมภีร์นี้ไม่ได้ว่ามาในคัมภีรมโนโภูพังใช่หรือไม่ธรรมหาองา น, นสนใจในธรรมชนะธรรมทั้งปวงเป็นห่วงวุฒิดาเกรงว่าจะปฏิบัติไม่ชอบธรรมพระราหุลพระบรมศาสดาห่วงพระราหุลเกรงว่าจะหมุนไปทางโลก อามาบอกสักไม่มีเอวังเพราะความแก่ก็ไม่มีเอวังความเก็บก็ไม่มีเอวังความตายก็ไม่มีเอวังโลคโกดโกรงก็ไม่มีเอวังกริงจริงอ ย, งอยู่ไม่มีกลางวันกลคืนใช่ไหม เขานี่ผ่านก็ไม่มีเอวังสังขารก็ไม่มีเอวังเอวังแปลว่ดาดังนี้ใช่ไหมอย่างหรืออย่างนี้เราไม่ได้เรียนภาษาบาลีแต่เราก็พูดบ้าๆบอๆไป <laughs> ไม่แห้งไม่แห้งด้วยทึ่งอยู่ในบกด้วยจะเสียไฟให้เกิดไฟได้ใช่ไหมไม่ที่ชุ่มด้วยอย่าง ทั้งอยู่ในน้ำด้วยก็ไม่สามารถจะเกิดไฟถ้าเอาไปสี <c oughs> พ่นจากน้ำแล้วแต่ยังเปอนไม่ดิบ <c oughs> คำสอนแต่ละวระบาดของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นไหนก็มาสอนอันเดียวกันมันก็น่าสงสารชาวโลกน่าสงสารชาวโลก ที่บัญญัติกฎหมายปีนเกลียวพระพุทธศาสนาไม่มองดูเลยไายไม่รอดบันดีดตัวคารมาวาสาถ้าคาราวาไม่เป็นหัวหน้ากันจะเอาอะไรมาเป็นหัวหน้าเอา้าชาวโลกมีกี่ราชพอร้่นราชไหมพอล้านรานคนไหม พวที่ตั้งกฎหมายอยู่ทุกวันนี่จะมีกี่ล้านชาวโลกนะผู้ไม่มีชิ้นท่านเลยจะไปตั้งกฎหมายมันก็เข้าข้างตัวเข้าข้างพักของตัวใช่หรือไม่นั่นมันก็เคะกันอยู่กูฆ่ามึงมึงฆ่ากูกูฆ่ามึงมึงฆ่ากูอยู่นี่ อ, อืเวียนสนองเวนีนภัยสนองภัยไม่ปลดอาวุธเสียเลยต้องปลดอาวุธเวียนภัยเวรมณีเวรมณีก็ต้องปลดใช่ไม้ท่านมหาเออ ไอ้เนี่ยไม่ปวดเลยเออมีแต่เวนสนองเวนภัยสนองภัยมันก็ร้องไห้อยู่ทะเลน้ําตาทะเลเลือดเหตุนั้นรุชีตี ต, ติพระบรมศาสตราจึงว่าไม่ให้คะแนนโลกเลยรุชีตีติตแปลผู้ย่อยยับไปใช่อืมพระนาบาคามีบางจําพวกไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอื พิจนาไม่เที่ยงไม่เที่ยงทั้งกลางวันกลางคืนพระอนาคามีอยู่สุดทาวาสใช่ไหมนี่ผ้าทับของรัฐบาลตีนั่นน่ะทับลงที่นี่นะแค่ได้ทับผ้าแล้วก็รู้จมูกก็อย่างนี้ตาช่างเผือกไงเอามาจากไหนก็เอามาจากผ้าสังฆาติของพระใช่หรือไม่นะ ที่รัฐนี่ก็มาเอามาจากพระราชอกของพระใจหรือไม่อาจารย์นั่นอาจารย์นี้อ่เอามาจากไหนก็เอามาจากอาจาริโยมเมพันเจนั่นเองจากพระพุทธศาสนาปริญญาเอกปริญญาโทรปริญญาตรีทางพระพุทธทางโลกเอามาจากไหน ก็เอามาจากพระพุทธศาสนายาตะปริญญากำหนดรู้ด้วยการรู้ตีระระปรัญญากำหนดรู้โดยการพิจารณาปหารปริญญากำหนดรู้โดยการลัเสียนั่นนั่นก็เอามาจากของพระพุทธศาสนาจ้านั้นวิธีระงับอัตยกรก็มีหมดแนวในทางพระพุทธศาสนาทีนี้พวกกฎหมายกฎหมูก่กฎพระกฎพวกก็ออกไปจากพระพุทธศาสนาทังนั้น อา้าชาวโลกจะมีกี่ล้านมีผู้ตั้งผู้ตั้งกฎหมายอ่ะมีเสี้ยนห้าสักคนไหมนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่สำคัญมากบัญที่โตขรมาวาสังบัณฑิตเป็นผู้คองเรือนนัตถิพ ร, ราปิณาจารกคนผ่านไม่ใช่คนหัวหน้านั่นนั่นนั่นแต่ชาวโลกมันเป็นยังไงกันนั่นทำไมจึงเบียดเบียนพระพุทธศาสนาในทางตรงและทางอ้อมชาวโลก มันก็บ้าจริงๆใช่ไหมนั่นทีนี้มีน้ำซ้ำจะให้หาเสียงจะให้หาเสียงว่าผู้ใดถือพระพุทธศาสนาเสียก่อนแล้วจึงจะลงคะแนนให้จึงจะตั้งกฎหมายขึ้นมันบ้าจริงๆแล้วก็พูดอย่างนี้พระพุทธรูปขุดอยู่ใต้ดินได้ วัดวาสศาสนาะเต็มโลกอยู่นั่นจะหาเสียงที่ไหนอีกองค์สมเด็จพระบรมราชามาตั้งแต่ดึกดำบรนก็ถือศาสนาพุทธทั้งนั้นจะไปหาเสียงที่ไหนอีกเราพูดอย่างนั้นประเทศไทยพระพุทธศาสนาะ เป็นพระพุทธศาสนาประจำชาติไทยจะเขียนลงสองสามตัวก็เกรงจะผิดโลกมันก็บ้าจริงๆถูกไหมเพราะเพราะไม่ใช่กฎหมายโลกกฎหมายของประเทศของเราไม่กล้าเขียนก็บ้าจริ ง, รงๆเราก็พูดอย่างนี้นะ mm hmm. เขียน่าเป็นเมี่งขวัญของชาวไทยก็ไม่ได้นะเอา้าวิสุขามเสีมาก็เกี่ยวกับพระบรมศาสนราอาพราะบ ร, ราณค่ะ ถ้าไม่มีพระบรมราชากับพระพุทธศาสนามันก็เป็นพระพุทธศาสนาไม่ได้เหตุ <Hey. S 1> นั้นจึงมีในพระสูตรราชาโนราชาโนอยู่ทุกขหนทุกแห่งทําไมจึงจะไปแยกพระบรมราชาออกจากพระพุทธศาสนาก็เป็นคู่มือกันมาแต่ดึกดําบรรแล้วใช่หรือไม่นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นอา้าวในพระเวเนยก็มีอยู่ในรัตตนวัคที่เก้ามีสิบสิขาบท พูไม่ได้รับอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จอยู่กับพระมเหินทรศรีตองพาเจตีนั่นนั่นราชาโนโจรังก็เหยีดตัวหาในยงว่าบันเทยงว่ปาปะปะยงว่าโจโรซีบาโรซีมุนน้อซีนั่นก็มีอยู่แล้วมีสุขามชี้มาถ้าไมมีพระบระมราชาก็ตั้งไม่ได้นัน่นพระองค์เสด็จพระบรมราชากับพระพุทธศาสนาเป็นคู่กันมาแต่เด็กดํามันแล้ว มีในพระไตรปิฎกครบบริบูรณ์แล้วทำไมจึงไม่กล้าลงพระบรมราชาก็ดีพระพุทธศาสนาก็ดีเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยมาแต่ดึกดำบันลงเท่านั้นก็เกรงว่าจะผิดโลกเขามันก็โง่จริงจริงถูกไหมเราโมโหเนี่ยเราก็มีเกรียดอยู่เหมือนกันพอ่อระบอก คนคนหมูงมากระวังปากอยู่คนเดียวระวังใจหลวง ป, ปู่ไม่ระวังเลยนึกว่าอานฐานต่อความจริงแล้วก็อุทิศต่อพระพุทธศาสนาเท่านั้นทีนี้ต่อไปหลวง ป, ปู่ก็เหนื่อยมากแล้ววันนี้มุดวันเลย ยะถาวัลิวะฮาปูราริภูเรนติสักหลังเอวามีวัยโตทินังไปทานังอุปกัปปติิจิตังปจิตังตุมหังคิปเมวัสเมจตุสเพภูเรนตุสังกะปาจันโทภนารโสยะถามณีโชติรโสยถาสปิตโยเยวะจันตสพทุโคสปะโยสโรโคยนต สตุมาเตภวะตวันตรายโยสุขีตีคาโยโกภวะอภิวาทน า, านสีฤาษีจังวุธาปะจายโรจ ต, ตารูธรรมาวะตันติ อาอยุวันสูสคขังพลังโดยเดชพระพุทธศาสนาอันทรงพระคุณข่าไม่มีประมาณและก็ทรงมีอยู่ทุกการด้วยเมื่อขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้เมื่อขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกทนน่านที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี้ก็ดีทัท้งไตรโรกาด้วยเดชพระพุทธศาสนาดังที่ว่ามาแล้วนั้นย่อมประสบแต่ความสุขความเจริญในบว ร, บรพุทธศาสนา ของพระสมณะช่นพระเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่ถุกทุกโดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเธอทีนี้พักตามสบายตามอัธยาศัยของแต่ละท่านซะแล้วก็ภาวนาด้วยนอนภาวนาก็ได้เหมือนกันถ้านั่งไม่อยู่ให้หลับคาภาวนาเลย ผู้ชำนาญพุทธโธก็พ่อครลมหายใจเข้าออกก็ได้ให้มีทาเป็นเครื่องอยู่เรียกว่าอารมณ์อารมณ์มีทาเป็นเครื่องอยู่วันคืนกลืนกินชีวิตของสัตว์ไม่อี่มเลยไม่รู้ว่ามันไปถ่ายที่ไหนให้ถือว่าเป็นวิชาลูกเสือทุกๆ ท, ท่านเนอ เป็นวิชาลูกเสือทุกๆ ท, ท่านนอนดินกินหญ้าบ้าจะนึกถึงกรุงเทพที่อ่อนนุ่มๆ ม, มันก็ไม่ไหวละหลวงปู่นอนดินกินหญ้ามานานแล้วจึงได้อย่างนี้นี่ไม่ใช่ว่าหลวงปู่ไม่นอนดินกินหญ้ามาเลยนอนกลางภูเขาคนเดียวก็นอนไม่ในกลางกดอีกเสียรู้